เอาน่าอย่าซสีเรียกเรื่องเสียหนึ่งเพื่อสิ่งที่มากกว่าโทษของโจโฉเป็นคนที่มีชื่อเสียงในทางคนมีน้ำใจ วันหนึ่งเพื่อนบ้านของเขานับสุกรที่เลี้ยงไว้เห็นว่าขาดจำนวนไปหนึ่งตัวจึงออกตามหามาถึงบ้านทวดของโจโฉและพบสุกรตัวหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกันกันกบสุกรตัวที่หายไปจึงกล่าวหาว่าทวดของโจโฉเอาสุกรของตัวไปพร้อมกับยึดสุกรนั้นกลับบ้าน ทษของโจโฉก็ไม่ว่าอะไรฝ่ายเพื่อนบ้านคนนั้นพอกลับไปถึงบ้านก็พบว่าสุกรตัวที่หายไปได้กลับมาอยู่ที่เล้าตามเดิมแล้วก็รู้สึกละอายใจที่ไปกล่าวหาทวดของโจโฉเช่นนั้นจึงอุ้มสุกรกลับมาคืนและกล่าวขอขมาททษของโจโฉด้วย มีคนมาถามโทษของโจโฉภายหลังว่าทำไมจึงไม่โต้แย้งในตอนแรกที่เพื่อนบ้านมายึดสุกรไปโวษของโจโฉก็ตอบว่าฉันยอมเสียหมูไปหนึ่งตัวดีกว่าเสียเพื่อนไปหนึ่งคนแต่แล้วความจริงก็เป็นความจริงตอนนี้ ฉันก็เลยได้ทั้งหมูได้ทั้งเพื่อนอีกหลายคน